50 languages. สิบเอ็ดธั n u ุนตุเดือนติงกะลูกมกราคมเจนนวกุมภาพันธ์เฟบร มีนาคม <March? S 1> มาร์ชเมษายนเอ <April? S 1> พริลพฤษภาคมเม <May? S 1> มิถุนายนจูนมีอยู่หกเดือนอีบุกัลูลอารุติงกัลูกัลู มกรกาคมกุมภาพันธ์มีนาคม j ดือนมกราคมกมาพันธ์เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนพฤษภาคมและมนายาาคมแลุาย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 และยังมีอีกหกเดือนด้วยอิ่บุกัดุสหาอารุติงกลุกลัลกระกะดาคมสิงหาคมกันยายนกิลลี่ออเกสต์สัปต์เบมเบอรตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม November, December